ผลการไล่ผีเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่ออาจารย์ทิศถามหลังจากสอบอารมณ์เสร็จแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟังอย่างละเอียดแล้วสรุปว่าโชคดีที่อัตตมาได้วิชาพิสูจน์ผีมาถึงได้รู้เดี๋ยวนั้นสมัยที่ผีตาเหลงห้วย มาเข้าใหญ่เผ่าต้องพิสูจน์อยู่หลายวันเพราะตอนนั้นยังไม่ได้วิชาท่านหมายถึงวิชาเห็นหนอจะเป็นการรบ ก, กวนมากไปหรือเปล่าครับหากผมจะนิมนต์ให้หลวงพ่อเล่าเรื่องตาเลงห้วยเพราะหลวงพ่อเคยเกล่นลนไว้แล้วตอนเล่าเรื่องยายสสอิง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 ผมก็คงลืมบ่อยๆได้อดีตอาจารย์สนองด้วยได้โอกาสเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็จะเล่าให้ฟังเส้นเลยเรื่องนี้เกิดก่อนเรื่องยายเอิ่งปีหนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดพรมบุรียังไม่ได้มาอยู่ที่วัดนี้หลวงพ่อมาอยู่วัดนี้ปีอะไรครับ ปีสองพันห้าร้อยก่อนหน้านั้นอยู่ที่วัดพรหมบรีเรื่องของตาเหลงห้วยเกิดเมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอัตมาจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันโกนรุ่งขึ้นจะเป็นวันศาสไทยอัตมาก็ออกบินธบาตตามปกติอัตมา ออกบินทบาทเวลาหกโมงเช้าทุกวันในวันเกิดเหตุพอออกประตูวัดมาก็เห็นคนแขวนโตงเตงอยู่บนต้นหมากเมาโยมรู้จักต้นหมากเมาไหมผลมันเล็กเล็กเท่าไข่แมงดากินอร่อยอมเปรี้ยวอมหวานสมัยเด็กๆอาตมาชอบกิน ท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับบุรุษวัยหกสิบตอบเอาละ่ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรทางเชียงใหม่เขาคงไม่มีต้นไม้ชนิดนี้ถึงภาคกลางก็หายากแล้วเพราะคนขยันตัดไม้ทําลายป่ากันเลอกเกินไม้หลายชนิดต้องสูญพันธุ์ไป เพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อีกหน่อยเถอะพันดินจะกลายเป็นทะเลทรายถ้าไม่ลดละความเห็นแก่ตัวลงรับรองได้เห็นทะเลทรายแน่ท่านพระครูทํานายทายทักเรื่องอย่างนี้พูดยากครับหลวงพ่อเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ ก็เลยทำงานได้ไม่เต็มความสามารถเพราะมักจะไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลก็เลยต้องทำเอาหูไปนาเอาตาไปาไร่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและลูกเมียคนทุกวันนี้ไม่ค่อยจะกลัวบาปกลัวกรรมไม่มีฮีริโอตปะกันเลยปุรุษสูงวัยพูดพลางทอดถอนใจมันเป็นกรรมของเขาแหละโยมคนพวกนี้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อกดแห่งกรรมทำหน้าที่เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรู้ว่ากงจักก็คือกงจักคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่ววันยังคำ่ำโยมคอยดูไปก็แล้วกันเอาละทีนี้มาเล่าเรื่องตะเหลงหวยต่อเพราะอาตมา เห็นคนห้อยตรงเตงอยู่บนต้นหมากเมาก็เข้าไปดูใกล้ๆโอ้โหหน้ากลัวเชียวตาถลนโปนออกมาลิ้นห้อยยาวตั้งคืบแล้วหลวงพ่อกลัวหรือเปล่าครับจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบตามตรงว่ากลัวสิทำไมจะไม่กลัวเพราะตอนนั้น ยังไม่ได้วิชาแต่ต่อมาหลังจากได้วิชาพิสูจน์ผีแล้วอาตมาก็เลิกกลัวผีเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวคนบางคนยังน่ากลัวซสยิ่งกว่าผีจริงไหมจริงครับแล้วหลวงพ่อทำอย่างไรครับวิ่งหนีหรือเปล่าก็อยากวิ่งเหมือนกันแต่เกรงใจผ้าเหลืองเป็นพระ วิ่งไม่ได้นโยมมันผิดวินัยอาตมาจึงไม่วิ่งได้แต่เดินเร็วๆไปบอกคนในตลาดให้มาช่วยกันเอาศพลงโยมจำไว้นะวิธีเอาศพคนที่ผูกคอตายลงนั้นอย่าไปแก้เชือกห้ามแก้เชือกเด็ดขาดแต่ให้ใช้มีดโตฟันจนเชือกขาดแล้วศพหล่นลงมาเอง อาตมาก่นแนะวิธีให้เขาพอศพหล่นลงมาจึงได้รู้ว่าเป็นตะเหลงห้วยเลยไปตามเจเจีย๋ยหลานสาวที่แกขายของอยู่ในตลาดปากบางมาดูเจแกก็เอาศพไปฝังตามประเพณีทำไมแกถึงผูกคอตายครับอาจารย์ทิศถามตอนนั้นยังไม่มีใคร ทราบสาเหตุแต่ตอนที่แกมาเข้าใยเผ่าอาตมาถา ม, ถามถึงได้รู้แกบอกอาตมาว่าแกน้อยใจที่หลานสาวคือเจ๊เจียไม่ให้เงินซื้อฝิ่นสุเลยผูกคอตายซึ่งก็ตรงกับที่เจ๊เจียแกสันนิษฐานเอาไว้เจเจียเล่า ว, ว่าตาเหลิงหวย เป็นพี่ชายของเตี่ยแกหนีมาจากเมืองจีนเมื่อสี่สิบปีก่อนมาอยู่กับน้องชายคือเตี่ยของแกพอเตี่ยแกตายก็เลยอยู่กับแกตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยตะเลงห้วยไม่คบหาสมาคมกับใครแล้วก็พูดไทยไม่ได้ตอนหลังเจ๊แกจับได้ว่าลุงติดฟิน และขโมยเงินแกไปซื้อฝิ่นสูบทุกวันก็เลยเก็บเงินไว้อย่างมิตรทิตไม่ให้ลุงขโมยได้ตาเหลงห้วยเมื่อขโมยไม่ได้ก็เปลี่ยนมาขอแทนเจแก่ก็ไม่ให้เพราอดฝิ่นมากๆแต่แปะคงจะกลุ้มใจก็เลยผูกคอตายสแสดงว่าแกเจตนาฆ่าตัวตายใช่ไหมครับ แบบนี้ก็ต้องตกนรกสิครับคนฟังออกความเห็นถูกแล้วโยมตะเหลงห้วยไปตกนรกที่อาตมาทราบเพราะแกเป็นคนบอกตอนที่มาเข้ายายเผารายนี้ผีจริงมาเข้าจะเรียกว่าผีนรกก็ได้เพราะหนีมาจากเมืองนรก นี้มาอย่างไรครับแกบอกหรือเปล่าบอกละเอียดเลยหลาโยมพอแกตายครบปีก็มาเข้าใยญยเผา ว, วันนั้นตรงกับวันโกนรุ่งขึ้นจะเป็นวันศาสตร์ซึ่งตรงกับวันที่แกผูกคอตายครบปีพอดีประมาณตีหนึ่งคนเข้ามาตามอาตมาไปช่วยไล่ผีบอกว่าใยายเผา ถูกผีเข้าอาตมาก็ไปกับเขาพอถึงบ้านก็เห็นยายเผ่านอนหลับตาส่งภาษาจีนล้งลิงเลยเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆไม่ใช่เสียงยายเผ่าอาตมาฟังไม่รู้เรื่องคนอื่นๆก็ไม่รู้เลยไปตามตาแปะเล่งเตียมาจากตลาดให้มาช่วยเป็นล่ามอาตมา ก็สัมภาษณ์ตาเหลงหวยโดยผ่านล่ามคือตะแปะเล่งเจียอาตมาถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนแกก็ตอบผ่านล่ามว่าแกชื่อตะแปะเหลงหวยที่ผูกคอตายใต้ต้นหมักเมาเมื่อปีกลายอาตมาถามถึงสาเหตุที่ผูกคอตายแกก็ว่าน้อยใจหลานสาวที่ไม่ให้เงิน ซื้อฝิ่นสุดตอนนี้แกอยู่ในนรกอยู่กับห้วยเสียเท่าชือมดโยมรู้ไหมว่านารกอยู่ที่ไหนท่านถามคนฟังไม่ทราบครับคนเท่าคนแกเขาเคยบอกว่านารกอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับนั่นสิอาตมาก็เคยเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันถึงกับลงทุนขุดดูแต่ไม่ยัก เจอนรกแต่เจอแต่ไสเดือนกับกิ้งกือคนฟังหัวเราะและถามว่าแล้วหลวงพ่อถามตะแปะหรือเปล่าครับว่านารกอยู่ตรงไหนถามสิแกตอบว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับแกตอบว่าก็อยู่ตรงที่ที่แกผูกคอตายนั่นแหละแกยังเห็นอาตมา เดินบิณฑบาต ท, ทุกวันแกว่าแกทักอาตมาแต่อาตมาไม่พูดกับแกก็อาตมาไม่รู้นี่ว่าแกทักถ้ารู้ก็ต้องคุยกันแล้วจริงไหมท่านถามคงจริงมังครับบุรุษสูงวัยตอบอาตมาก็เลยถามอีกว่านรกเป็นยังไง นรกมีจริงหรือแกก็ว่ามีจริงแกกับห้วยเสียเท่าที่ชื่อมดถูกเขาทำโทษทุกวันเขาเคี่ยนจนแขนขาขาดเพราะขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่อีกเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันอันนี้ภายหลังอาตมาได้ตรวจสอบกับคัมภีร์พระไตรปิฎกปรากฏว่า มีข้อความคล้ายๆกันอย่างเช่นในเล่มที่สิบสีถ้าอัตมาจำไม่ผิดนะในเล่มที่สิบสีที่อธิบายสภาพของมหานรกแล้วก็จะสรุปลงท้ายว่าสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรม ยังไม่สิน้นอันนี้เหมือนกับที่ตะแปะเหลงหวยเล่าว่าเขาเคี้ยนจนแขนขาดขาขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่คงจะเป็นทำนองเดียวกันนี้โยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับแล้วหลวงพ่อถามแกหรือเปล่าครับว่ามาเข้าอย่าเขาได้ยังไงถามสิแกว่านี้เข้ามา วันโกนวันพระเขาหยุดลงโทษทันเพื่อให้พวกสัตว์นรกไหว้พระสวดมนต์และเจริญสติปัฏฐานสี่อันนี้ก็มาตรงกับที่ยายสะอิงเล่าในปีถัดมาหลังจากที่อาตมาย้ายมาอยู่วัดนี้แล้วมันก็แปลกนะริยโงว่ายังไงประโยคหลังเป็นคำถามเช่นเคยครับ ผมก็ว่าแปลกแปลกแต่จริงผมเชื่อครับว่าเป็นเรื่องจริงบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผมเชื่อรู้สึกว่าโยมจะเชื่อง่ายจริงนะระหวังเถอะคนที่เชื่ออะไรง่ายๆมักจะถูกหลอกท่านยาวลุงพ่อไม่เชื่อหรือครับเขาย้อนถามตอนแรกก็ยังไม่เชื่อ เพราะอาตมาเป็นคนเชื่ออะไรยากต้องพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงกันเสียก่อนถึงค่อยเชื่อแล้วที่แกบอกว่าอยู่กับห้วยเสียเท่าที่ชื่อมดนั้นใครครับอาตมาถามตาแปะที่เป็นล่ามดูเขาบอกห้วยเสียเท่าแปลว่าสมพานตาเหลงห้วยบอกอยู่กับสมพานที่ชื่อหมด เรื่องนี้อาตมาไม่รู้มาก่อนก็ได้ไปสืบถามคนเฒ่าคนแก่ดูก็ได้ความอย่างเดียวกันแสดงว่าเรื่องนี้เชื่อถือได้คนแรกที่ถามก็คือยายของอาตมาเองยายเล่าว่าสมภารมดตายไปเมื่อห้าสิบปีก่อนตอนนั้นอาตมายังไม่เกิด ท่านเป็นสมภารอยู่วัดพรมนครที่ตายเพราะผูกคอตายแบบเดียวกับตะแหลงห้วยอาตมาก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าทากรรมอย่างเดียวกันก็ต้องไปเกิดด้วยกันสมภารมดกับตะแหลงห้วยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ได้ผูกคอตายเหมือนกันเลยไปได้รู้จักกันในนรกมันก็แปลกดีนาะโยมนะ ครับแปลกมากทีเดียวถ้าอย่างนั้นพวกที่ร่มวงกันดื่มเหล้าเมาเช้าเมาเย็นด้วยกันพอตายก็คงไปอยู่ในกระทะทองแดงใบเดียวกันใช่ไหมครับบุรุษสูงอายุถามมันก็คงเป็นอย่างนั้นมั้งอาตมา ก, ก็ยังไม่เคยดื่มเหล้าสักทีตั้งแต่บวชมานี่ยังไม่เคยดื่มเลยสักหยดเดียวแล้วท่านก็หัวเราะเหื อ, หอ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 ท่านหาทางออกไม่ได้ในที่สุดเลยตัดสินใจผูกคอตายไม่นานเลยนะครับอุตสาบบวชมานานกระทั่งได้เป็นสมภารพอตายกลับไปตกนรกน่าอนาจใจเลือกเกินเงียบกันไปพักหนึ่งคนเป็นอาจารย์จึงถามขึ้นว่าแล้วหลวงพ่อใช้วิธีไหนไล่ผีตะเหลงห้อยครับ โรงยาให้กินแบบยายเช้าหรือเปล่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิผีจริงกับผีปลอมจะใช้วิธีเดียวกันได้ยังไงอัตมาก็ถามแก่ว่าที่มาเข้ายายเผานี่ต้องการอะไรแกก็ว่าจะมาบอกอัตมาให้ช่วยไปบอกหลานสาวแกว่าไม่ต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้ เพราะแกไม่ได้รับถ้าจะให้แกได้รับต้องเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้อาตมาก็รับปากว่าจะบอกให้แกก็ขอบอกขอบใจอัตมาแล้วบอกจะต้องรีบกลับแล้วประเดียวเขารู้ว่าหนีมาจะถูกทำโทษพอแกล่ำลาเสร็จใหญ่เผาก็แน่นิ่งไป ครู่หนึ่งก็ลืมตาพอเห็นอาตมาก็รีบลุกขึ้นนั่งถามว่าลุงพ่อมายังไงดึกดึกเดินเดินอาตมาบอกว่ามาไล่ผีให้แกแกก็ไม่เชื่อหาว่าอาตมาล้อเล่นอาตมาถามแกต่อหน้าคนอื่นๆว่าโยมเ่าเจ็บปึง้งแปลว่าอะไรแกบอก ไม่ทราบเจ้าค่ะก็สรุปความได้ว่าผีจริงนั้นไม่ต้องไล่เขามาทุระพอเสร็จทุระเขาก็ออกเองพอรุ่งเช้าอัตมาก็ไปหาเจ๊เจียบอกเจอแปะลือมาเข้าใยเผาสั่งให้ลื้เจริญกรรมฐานแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เจเจีเยแกตะคอกใส่อัตมาว่า กรรมาฐานกรรมโทนอะไรอ้วไม่สนใจหรอกเสียเวลาทามาหากินแม้พอแกพูดอย่างนี้อาตมาเลยรีบกลับวัดเลยตกลงตาแหลงห้วยก็เลยไม่ได้รับส่วนกุศลจากหลานสาวน่าสงสารแกนะครับนั่นสิอาตมาก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งว่าบุญกุศล น, นั้น เราจะต้องสร้างของเราเองอย่าไปหวังคอยว่าลูกหลานจะส่งให้หรืออุทิศไปให้ตอนตายคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเข้าวัดไม่ค่อยคิดสร้างความดีแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนไปอุทิศให้คนอื่นโยมว่าจริงหรือเปล่าจริงครับผมว่าตัวของตัวเอง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 บางคนก็เข้าวัดมาทำธุรกิจกับพระเช่นมาขายของมาขอหวยพวกนี้มาวัดบ่อยแต่ไม่เคยเอาธรรมะกลับไปถึงบ้านถึงคนที่อยู่กับวัดเองก็เถอะไม่งั้นยายสะอิงคงไม่บอกอาตมาว่าพระก็ไปตกนรกท่านพระครูหยิบยกเรื่องจริงขึ้นมาพูด รหรืออย่างสมพันธ์มดที่หลวงพ่อเล่าก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องพระตกนรกนี่ทำให้ผมนึกถึงมหาสมียนองคนี้ผมก็คิดว่าไม่พ้นอเวจีนรกพระที่เสเมทุนนี่ต้องตกนรกอเวจีใช่ไหมครับในพระวินยัยบอกไว้อย่างนั้นท่านเจ้าของกุติกล่าวอ้างพระวินยัยครับ ผมว่าป่านนี้มหาส ม, มียนก็คงชดใช้กรรมอยู่ในอเวตีนรกคงอีกนานกว่าจะได้ผุดได้เกิดคนชั่วนี่บางทีฟ้าดินก็ลงโทษนะครับหลวงพ่อลงโทษท่านตาเห็นเลยมหาส ม, มียญที่ว่านี้ท่านเสพเมถุนครับพวกชาวบ้านเขารู้เขาเห็นก็ไปฟ้องเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสท่านก็บอกไม่รู้จะจัดการอย่างไรเพราะท่านไม่เห็นกับตาว่าเขาผิดจริงแต่พอเวลาคนเขานิมนท่านไปดูท่านก็ไม่ยอมไปอ้างว่าเดี๋ยวจะเป็นอาบัตมหาสมินก็ได้ใจกำเริบเสบสารเป็นการใหญ่วันหนึ่งกําลังเสพเมถุนกับทีอยู่ในโบทปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาตายทั้งคู่เลยครับ พวกชาวบ้านพากันสมน้ำหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าฟ้าดินลงโทษใช่ไหมครับหลวงพอ่อก็คงเป็นอย่างนั้นฟ้าดินคงรำคาญที่เจ้าอาวาสไม่มีน้ำยาพระลูกวัดทาผิดขนาดนั้นยังไม่ดำเนินการให้เป็นเรื่องเป็นราวปล่อยให้ชาวบ้านเขาตํหนิติชินอยู่ได้อัตมายอมไม่ได้นะ ถ้าเรื่องอย่างนี้เกิดในวัดอาตมาอาตมาต้องจัดการไม่งั้นก็ทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธานั่นสิครับแล้วพระแบบนี้ก็มีมากขึ้นทุกวันบางวัดเจ้าอาวาสเป็นเซเองนี่ผมไม่ได้ใส่ร้ายพระนะครับหลวงพ่อผมมีหลักฐานมีพยานยืนยันอดีตอาจารย์พูดออกตัวไว้ก่อน อาตมาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรโยมนี่นาท่านพระครูพูดด้วยเสียงปกติครับถ้าเผื่อหลวงพ่อจะว่าผมก็มีพยานหลักฐานครับหลวงพ่ออย่าหาว่าผมเอาพระมณ น, นทานะครับอาตมาไม่ว่ารอกน้าโยมสบายใจได้ไม่ต้องกลัวว่าอาตมาจะเข้าข้างพระถึงเป็นพระก็ไม่เข้าข้างพระ อาตมาไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วเมื่อท่านพูดเช่นนี้อาจารย์ทิตจึงเล่าต่ออีกว่าเจ้าอาวาสองค์นี้ท่านมีตำแหน่งด้วยนะครับคือเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดเห็นคนเขาเล่าว่าตำแหน่งนี้ก็ซื้อมาอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะจริงหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆว่าสมณศักดิ์ก็มีการซื้อขายกันด้วย หลวงพ่อทราบหรือเปล่าครับเขาถามท่านพระครูไม่ทราบอาตมาก็เคยได้ยินคนเขาพูดกันทํานองนี้จะเท็จจริงยังไงอาตมาไม่ทราบแล้วก็ไม่ขอออกความเห็นใดๆคงไม่ว่ากันนะครับแต่ผมภาวนาขออย่าให้เป็นความจริงขอให้เรื่องขอรับช่านเรื่องกินสินบาท ขาดสินบนมีอยู่เฉพาะในวงการครือขัดเถิดอย่าได้มีอยู่ในวงการสงเลยสาธุผมขอภาวนาบุรุษวัยหกสิบยกมือขึ้นประนมขณะพูดสาธุอาตมาก็ขอภาวนาอย่างนั้นเหมือนกันภาวนาขออย่าให้เกลือต้องจืดเลยเพราะถ้าเกลือจืดนอนมันก็ขึ้น ที่เขาเรียกว่าเกลือเป็นหนอนไงละ่ะนั่นสิครับเพราะสงมีหน้าที่สอนคนให้ทำความดีแต่ถ้าคนสอนมาทำชั่วใซ้เองแล้วจะไปสอนใครก็ได้สรุปเป็นว่าเจ้าอาวาสองค์ที่ผมเล่าท่านมีตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็คงได้มาโดยไม่ต้องซื้อแม้ว่าท่านจะรวยมีเงินเป็นสิบสิบล้าน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 ก็พูดเป็นในๆว่าพวกเขารู้ท่านก็กลุ้มใจหน้าดำคล้ามองไม่มีสง่าราศีเวลาเขานิมนต์ไปงานต่างๆท่านก็นั่งหน้าเศร้าไม่กล้าสบตากับใครต่อจากนั้นอีกไม่นานท่านก็ถูกปล้นแล้วก็ถูกคนร้ายฆ่าตายหลุงพ่อคงเคยได้ข่าวนะครับเพราะเรื่องลงหนังสือพิมพ์ด้วยพอท่านถูกฆ่าพวกกรรมการไปค้นกุฏิท่าน พบจดหมายรักเป็นสิบๆฉบับบางฉบับก็เขียนพนันนาถึงความรักอย่างกับนิยายน้ำเน่าผมก็เป็นกรรมการวัดด้วยอ่านแล้วต้องยอมรับว่าพวกศิกาเหล่านั้นเขียนจดหมายได้เก่งจริงๆแล้วก็ยังได้ทราบอีกว่าท่านมีเงินส่วนตัวฝากธนาคารไว้เกือบยี่สิบล้านน่าเสียดายที่เงินทองเหล่านั้นช่วยท่านไม่ได้เลยผมเห็นแล้ว ก็ได้แต่ปลงสังเวชบุรุษสูงอายุพูดอย่างสลดหดหูท่านเจ้าของกุฏิจึงปลอบเขาว่าอย่าคิดอะไรมากเลยโยมขอให้ทำใจเถอะในอนาคตโยมจะยิ่งเห็นอะไรที่เลวร้ายมากกว่านี้คนชั่วจะครองเมืองนะต่อไปเงินจะกลายเป็นพระเจ้าเหล็กที่ว่าแข็งแกร่งปานใด ก็จะถูกเงินง้างให้อ่อนลงได้เงินซื้อได้ทุกอย่างอย่างเดียวที่ซื้อไม่ได้คือกฎแห่งกรรมถึงอย่างไรเงินก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้ครับก็ยังดีที่กรรมไม่คอรับชั้นหลวงพ่อครับสงสัยยุคนี้คงจะเป็นยุคทองของคนชั่วนะครับอาจารย์ชิดพูดพลางทอดถอนใจ